เป็นนิมิตหมายของชวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราก็ต้องวางจิตวางใจถูกต้องอเพียงแค่จะมาใส่บาตรมันที่หนึ่งมกราหรือว่าสวดมนต์ข้ามปีหรือว่ามาทำสิ่งดีๆเช่นเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือเด็กยากไร้คนที่ลำบากยากจนเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลหนุนส่งให้ชีวิต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 โกรธสะสมกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมารวมกันแล้วอาจจะเป็นเวลาหลายเดือนนะเอาสามสบคูณยีบสเข้าไปมีกี่ชั่วโมงไงนะแล้วถ้าเกิดว่าชั่วโมงเนี่ยของความสุขที่สูญเสียไปคิดเป็นเงินเอาร้อยบาทนะคิดเป็นเงินร้อยบาทที่จริงมันมากกว่านั้นนะความสุขเนี่ยหึงชั่วโมงนี่มันมากกว่าร้อยบาทบางคนอาจจะตีค่าเป็นพันบาทก็ได้แล้วลองคํานวณดูเส้นนะ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 ชคดีเว้ยนะถูรัตติลมาดที่หนึ่งแล้วก็ช่วงนั้นเแกอาจจะคิดนะในใจว่าเนี่ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้นะลาก่อนความจนลาก่อนหนี้สินนะไม่จนแล้วนะคงคิดแบบนี้นะในใจเพราะจูจ่ๆแกก็ฉีกรัตติลี่นะเป็นชิ้นๆเลยฉีกรัตต่เป็นชิ้ น, น, นะอ น, นพอฉีกเสร็จจึงค่อยรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป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 เราลองนึกดูสิถ้าเกิดว่าพระอินทร์มาหาเราบอกว่าจะประทานพรสิปรประกันนะเราจะขออะไร <c oughs> การหาู้สีขออะไรรู้ไหมแทนที่จะขอให้มีโชคมีลาบนะมีทรัพย์สมบัติมีอายุยืนหมื่นปีก็ บ, บอกว่าเนี่ยขอไม่โกรธไม่มีโทสะขอไม่โลกนะไม่มีสเสน่หา ดุสินในหะสีข้อเนี่ยนะบอกว่าเทา้าสกกะอึ้งเลยนะอึ้งเพ่าะอะไรมันให้ไม่ได้นะแต่ว่าการหารูสีฉลาดนะเพราะรู้ว่าถ้าไม่โกรธนะไม่มีโทสะไม่โลภไม่มีเสนหานี่ชีวิตจิตใจจะมีความสุขมากเลยนะขออย่างอื่นเนี่ยมันไม่ทำให มีความสุขได้เท่าไม่โลภ ไ, ไม่โกรธนะไม่มีโทสะไม่มีเในหะนะแต่ก็พรแบบนี้เท ว, เทวดาแม้แต่เท้าสาักา ก, าก็ให้ไม่ได้แล้วจะเกิดขึ้นได้ยางไรนะต้องทำเองนะก็มีอีกชาตินึงนะงสวยประชาิเป็นอกิติหรือสีนะก็ ค, คล้ายๆกันนะบำเพ็ญตะบะจนเท้าสักากัเนี่ย นับถือสเสด็จมาเลยจะมาประทานพรสิปการนะอกิติฤสีขออะไรนะขอหนึ่งะนะนะขออย่าได้เจอคนพาลสองขออย่าได้ยินได้ฟังนะคนพาล น, นะสามขออย่าได้อยู่ร่วมกับคนพาล น, นะสี่ข อ, อได้เจรจาปลาสัยคนพาลเพราะท่านรู้ว่าเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ถ้าหากว่าทำสีอย่างนี้ได้นีชีวิตก็จะนะมีประสบแต่ความเจริญนะอย่างที่เราทราบนะมงคล38ประการที่ข้อแรกก็คือว่าอาเศัวันาจพารังนังการไม่คบคนพานอาการไม่ครบคนพ า, น, า, น, า น, นี่เป็นมงคลที่สูงสุดนะอัิติฤีก็ขอในสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งไม่ได้ขออายุวันนาสุขาภพละ ท่านขอพรสี่ประการเสร็จนะท่านคิดสักพักท่านบอกเปลี่ยนใจล้วขอข้อเดียวนะอะไรรู้หมหบอกว่าเท้าศักดิยามมาหาเราอีกเลยนะขอ ข, อข้อเดียวเ <laughs> พราะอะไรถ้ามาแล้ยจะทําให้เราประมาทนะนะผู้อย่างราษาชาวบ้านคือการเป็นคนขี้ขอคอยเป็นคนที่พึ่งเท้าศักดิจะทําให้คลายความเพียรนะอากันหาฤกษ์เชื่อว่าหรือมีความคิดว่าความเพียรเนี่ย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 มากกว่าการที่จะได้นนได้นี่นะซึ่งประเมินของที่ไม่จีรังยั่งยืนหรือว่าไม่ใช่ปหลัประกรันแห่งความสุขอย่างแท้จริงเพแล้วเนี่ยการทําดีแล้วก็กาใจดีเนี่ยทำดีและใจดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับชาวพุทธนะถ้าเราปรารถนาชีวิตใหม่นะอยากจะให้ปีใหม่นี้มาเป็นปีที่ชีวิตเรามีความสุขนะก็คอยหมั่นทําดีแล้วก็ฝึกจิตให้ดีเข้าไว้นะจริงอยู่นะ